มากกว่าที่จะทำเขามักจะหาเรื่องเฉยๆออกจากการทำงานได้อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งวันเหยิยบทั้งสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านบ้างแอบอ่านนิยายบ้างลุกขึ้นไปชงกาแฟบ้างเข้าห้องน้ำบ่อยครั้งครั้งละห้าสิบนาทียกหูโทรศัพท์โทรไปหาคนนั้นคนนี้อยู่เป็นระยะระยะแวะเวียนไปพูดคุยตามโต๊ะเพื่อนอยู่บ่อยๆปุ๊บยีบหลับคาโต๊ะเป็นพักๆ พ, พักอาหารเที่ยงนานกว่าที่กาหนด